นอีกสูตรหนึ่งนะครับวิตั ก, กสูตรขึ้นวรที่สติกานิบาทนี่นะครับในข้อ258จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายอกุศลวิตก3มประการ3ประการเป็นไนะคือวิตก ประกอบด้วยการไม่ให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนนะครับไม่อยากให้ใครมาดูถูกดูแคลนอ่ะ น, นะในอย่างหนึ่งวิตกประกอบด้วยลาบสการะและความสารเสรินอย่างหนึ่งวิตกประกอบด้วยความเอ็นดูในผู้อื่นเอ็นดูในที่นี้ไม่ใช่กรุณานะครับแต่หมายถึงว่าเป็นห่วงเป็นใยวิตกกังวลในกิจการงานของคารวาทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละครับดูกพิสูน์ทั้งหลายอากุศลวิตก3าประการนี้แหล ครับคืนึอย่างหนึ่งนะไม่อยากให้ใครดูหมิ่นตน2 อ, อยากให้คนอื่นเขายกย่องและสาก็วิตกกังวลไปกับกิจการงานของคนอื่นทั้งหลายนี่แหละครับทั้งหมดนี้เป็นอกุศลวิตกนะครับแล้วพระค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยการไม่ให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนผู้หนักในลาบและสการะมีปกติยินดีกับด้วยอัมมาทั้งหลาย เป็นผู้ห่างไกลจากความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีแต่ผูกมีแต่มัดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสังโยชน์มันเครื่องมัดใช่ไหมเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะครับแต่นี้ก็ถ้าหากว่าทําตัวลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งมัดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเขาก็ห่างไกลาจากอารยมรรคเป็นต้นที่เป็นธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์เนี่ยนะครับภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ละบุระตรปสุสัตการให้กระทําวิวาหะ และการห่วงแหนเสียได้พิสูนพูดเช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุสำโภธิยานอันสูงสุดนะครับคือละลูกละสัตว์ของเลี้ยงละนะวุ่นวายกับเรื่องแต่งงานงา น, งานมงคลทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็การห่วงแหนการยึดถือนะนี้ก็ใกล้มรรคผลหน่อยนะครับอัตกถาวิตกสูตรนะครับอากุศลาวิตกาความว่า วิตกทั้งหลายอันเกิดจากความเป็นผู้ไม่ฉลาดอธิบายว่าได้แก่มิจฉาวิตก น, นะที่อื่นๆก็ใช้ว่า ก, กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกใช่ครับแต่ตรงนี้ก็ใช้อีกคำหนึ่งคืออากุศลวิตกอีกนัยหนึ่งบทว่าอนวันยตัติในบทว่าอนวันยัติปฏิสังยุตโตนี้ได้แก่การไม่ถูกดูหมินเพราะความที่ตนไม่ถูกผู้อื่นดูหมินคือไม่ถูกดูแคลน คืออิจฉาอิจฉาจานนะครับคือความปรารถนานะที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าชะนัยนาคนเราอื่นไม่พึงดูหมิ่นเรานะครับคิดนะเอ๊ะทำยังไงดีนะเขาจะได้ไม่ถูกถูกไม่ดูแกล้งไม่ดูหมิ่นนะเวลาจะแต่งวัดยังไงให้ใครมาเห็นก็ต้องชมเลยนะไม่ให้ใครมาดูหมิ่นเลยลักษณะนี้นะครับคือการเกี่ยวกับการประกอบด้วยการไม่ถูกดูหมิน่นหรือวิตกอันปฏิสังยุตติด้วยการไม่ดูหมิน่นซึ่ง ปราลบการคลุกคลีนั้นเป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นในคําว่าอะนวัญยตินี้เป็นชื่อของวิตกที่ผู้ดํารงอยู่ในอิจฉาจารให้เป็นไปแล้วเพราะต้องการความยกย่องว่าใครเนอคนเราอื่นทั้งครหัส่าและบรรพชิตไม่พึงเหยียดย้มเราให้ต่ําต้อยนะครับเป็นมามาถึงก็มาดูถูกดูมินดูแคลนตําหนิเราไม่ได้ซากอย่างเลยนะครับไม่อยากให้ใครมาบมาบ่นมาด่ามาว่ามาติเตียนในด้านนั้นๆด้านนี้เป็นต้นเนี่ยนะ พันลักษณะที่กล่าวนี้มันเป็นอกุศลวิตตกทั้งนั้นเลยนะครับอก okay, ครับจริงๆแล้วมองๆดูน่าจะดีนะครับเพราะว่าเอา่อก็จะได้เป็นการเจริญเมตตาให้กับคนที่มาเห็นอะไรเงี้ยเวลาคิดเราคิดว่าเราจะตกแต่งทําอะไรให้มันดีเนี่ยคนอื่นเขาจะได้เมตต์เตียนเขาไม่เห็นจะได้สบายใจอะไรเงี้ยมองๆดูน่าจะดีครับมันไม่ใช่กุศลนะทีเมื่อไม่ใช่กุศลก็เลยไม่ดีนะครับ คือเพราะว่ า, ามันมันค่ากับรักษาศักดิ์ศรีนะนะเรียกว่ายามไม่ได้นะสํานวนลักษณะเนี่ยนะคือไม่อยากให้ใครมายามไม่อยากให้ใครมาหมิ่นนั่นแหละครับนนครับก็ลักษณะของมารนะซะส่วนใหญ่นะครับเพราะาบางคนเนี่ยนะครับเน้นอันนี้เป็นดับแรกเดี๋ยวเสียชื่อหมดนะครับลักษณะนี้เนี่ยนะคำสองคาเดี๋ยวเสียชื่อหมดเรามันระดับนี้แล้วทําอย่างนั้นได้ยังไงอย่างเงี้ยนะเสียชื่อเสียเสียงเสียอะไรเนี่ยนะครับก็จะรักษาอะไรเรียกว่าภาพพจน์อันนี้ไว้นะลักษณะนี้นะครับเป็นอกุศลวิตก หน้าไว้กันผมก็มานึกถึงเอผ้าที่ถือที่ดงผ้าอะไรพวกนี้ยที่ถือที่ดงที่ถือผ้าบางสกุลอะไรเงี้ยที่ปัจจุบันนี้ถ้าลองถือผ้าบางสกุลหรือใส่ผ้าปะปะขาดๆอะไรเงี้ยคงจะถูกดูหมิ่นดูแครหน้าดูเหมือนกันนะก็ไม่มีใครไปดูหมิ่นหรอกครับจริงๆนะเราคิดคิดกันไปเองถ้าส่วนใหญ่นะครับก็ผมเห็นผมเคยได้ยินนะครับคือเขาก็ไม่ดูหมิ่นตอนหน้าหรอกครับ ครับเพราะผมเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเว้นไว้แต่ใส่จําอวดเท่านั้นแหะครับมันคือคือหมาย ว, ว่าวอยากให้คนอื่นเขาเคร่งอเห็นว่าตัวนี่เคร่งเป็นต้นเนี่นะครับคือถ้าใสายจาอวดเนี่ยเขาคงดูหมิ่นจริงๆนะครับบัณฑิตทั้งหลายเขาเขพิจารณาโดยแยกคายแล้วเขาคงตําหนี น, น, น, นะไอ้คำว่าหมิ่นของบัณฑิตก็คือตําหนีนั่นเอง น, นะครับว่าไม่คุ้นอย่างนั้นเดนะินแต่ทีนี้ถ้าหากว่าประพฤติถูกทำถูกวินัยนะครับ คนพาลเนี่ยนะทํายังไงถ้าไม่ถูกใจเขาตําหนิหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยวตามรักษาใจคนพาลเนี่ยนะครับคนไม่เห็นอริยสัตว์นะไปตามรักษาใจคนประเภทนั้นไม่มีทางสําเร็จแน่นอนนะครับถ้าเขาชอบเขาก็ชมเขาชังเขาก็แช่งเช้าก็ชมเย็นก็ด่านะครับแน่นอนอะไรครับออผมได้ขอคิดใหม่ครับได้ยินอาจารย์สมบัติพูดตรงนี้ว่าคนที่ไม่เห็นอริยสัตว์เนี่ยเมื่อเขาตําหนิเนี่ยก็ออยังถือว่าเรียกว่า เอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะว่าหรือไม่เอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาอ้างเอ่ยในการที่จะตําหนิยังเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะว่าเมื่อยังไม่เป็นบัณฑิตเมื่อยังหรือว่ายังมีจิตตั้งอยู่ในอกูศลนี้ก็ย่อมที่จะตําหนีติเตียนนักทุกอย่างทั้งที่มันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็ตามครับมอย่าว่าพวกเราเลยพระพุทธเจ้าเขายังตําหนีเลยภานุนยังตําหนีเลยนะนี่เพราะติดตามพระพุทธเจ้าฟังมากอย่างนี้เห็นไหมจึงไม่ได้บรรลุมากผลเลยอย่า ง, งนะั้นนะ ก็พาอนุนก็ยังถูกตําหนิพระสารีบุตรก็ตําหนินะครับท่านกระโดดเนี่ยบางทีก็เลยว่าเออเห็นไหมนะ้าภาษาบุตรเนี่ยนะนิสัยเก่าว่างั้นเถอะก็ภาษาบุตรก็ยังตําหนินะครับเพราะคนมันคนพานอ่ะนะพระโกกาิกานี้ภาษาบุตรก็ด่านะครับวันวันที่ปิจามาวันแรกของยังชอบเลยโหดูคลิ้งกลิ้งดีจังฮยไอพากีวอนยังไม่ได้ย้อมนะ <c oughs> ยังเล็กเช่นชมเลยนะ ชค่นี้ต่อไปนะครับบทว่าลาภสการสิโลกปฏิสังยุโตความว่าวิตกที่ประกอบด้วยลาบมีจีวนเป็นต้นนะครับแหมเมื่อไรเนอะนึกถึงจีวนเนี่ยนะกระทินนี้จะเอาจีวนแบบไหนดีนะเนี่ยนะจะครองจีวนแบบไหนเนีน่ยนะเนไปละหรือว่านึกถึงอาหารบินทบาทเนี่ยนะถ้าได้ต้มแบบนั้น ผัดแบบนี้แกงแบบโน้นเนี่ยนะครับมันคงจะถูกใจหน้าดูเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าโหส ก, การะเนี่ยถ้าเขามาถึงเราก็ต้องมากราประกประลกเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าหื้ชื่อเสียงของเราเนี่ยแผ่กระจายไปใครเห็นก็โอ้ยทันมาแล้วอย่างนั้นนะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเราไปหมดเลยที่เราไม่ต้องอะไรเราเข้าอธิบายแทนเราได้หมดเลยนะแต่อย่างี้ก็แสดงว่าน่าคิดแล้วว่าคิดอย่างงี้นี่ไม่ใช่กุศลแน่นอนนะครับ บทว่าปรานุทยะตาปฏิสังยุตโตความว่าประกอบด้วยความรักที่เป็นเจ้าเรือนอันเป็นความเอ็นดูเทียมในผู้อื่นนะครับกรุณาเทียมเทียมนะดูเหมือนกรุณาแต่ไม่ใช่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้คลุกคลีเพลดิดเพลินเศร้าโศกอยู่กับพระราชาราชมหาอมาตพราะคฤหบดีเดรธีและสาวกแห่งเดรธีเมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยย่อมถึงการประกอบตนในในกิจการอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เขาดังนี้นะครับ ไปคอยรับใช้ดูแลเขาหมดนะคะบริการเขาทุกอย่างนะครับเศรษฐกิจไม่ดีก็ไปทุกไปร้อนกับเขาหมดนะครับเศรษฐกิจดีก็ไปนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นชมไปกับเขานะครับลูกหลานเขาจะแต่งงานก็ไปเอยไปอวยชัยให้พรยกใหญ่ไปหมดนะครับญาติเขาเสียเป็นต้นนี่ก็ไปไปไว้อะไรไปทําเป็นเคร哈哈哈่งครึ้มนะครับมันไปทุกไปร้อนไปรนอะไรกับเขาไปหมดเลยเขาดีใจก็ไปดีใจกับเขาเขาเสียใจก็ไปนั่งเป็นทุกเป็นร้อนอะไรกับเข้าไปหมดเลย ลักษณะนี้นะครับเ้าเรียกว่าการุณาเทียมยมนะครับอันนี้เป็นอกุศล น, นะครับมีโทษทีนี้ในคาถาพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยการไม่ให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนผู้หนักในลาบและสการะเป็นผู้มีปกติยินดีกับด้วยอามาทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลาจากความสิ้นไปแห่งสังโยชนะครับถ้าหากว่าพิสุใดในธรรมวินัยนี้ละบุระตรปสุสัต การให้กระทำการวิวาหะคือประเภทแต่งงานทั้งหลายแล้วนี้ น, นะครับและการห่วงแหนเสียได้พิสุผู้เช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุสำโภทิยานอันสูงสุดมีวินิจฉัยว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยการไม่ดูหมิน่นชื่อว่าอานวัญยติสังยุตโตบุคคลชื่อว่าลาภสการะคารวเพราะมีความตระหนักในลาภสการะไม่ใช่ธรรม บุคคลชื่อว่าอ ม, มัจจะเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดคือร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้แก่ผู้อุปธรรมคล้ายกับสหายบุคคลผู้มีปกติยินดีกับด้วยอมมาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอำนาจความรักที่เป็นเจ้าเรือนนะครับเคหาสิตะนะความรักอาศัยเรือนเนี่ยนะชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกับด้วยอมมาทั้งหลายนะครับ มีโละภะผูกพันในลักษณะเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องเหมือนกับญาติอะนะเห็นคาราวะาทั้งหลายไม่ใช่ญาติก็เหมือนกับญาติไม่ใช่แม่ก็เรียกแม่ไม่ใช่พี่ก็เรียกพี่โอ๊ยผูกพันกันติดหนับไปหมดเลยนะจะไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องปรึกษาศรัทธาก่อนนะนั่นเลจะศึกษาธรรมะจะเจริญประพฤติศีลปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่ศรัทธาเขานะครับยกให้ศรัทธาไปหมดเลยเดีศรัทธาขึ้นสวรรค์ก็ศรัทธาจะชวนไปด้วยรู้เปล่าก็ไม่ทรานะครับ บทว่าอาราสังโยชนะขยาความว่าบุคคลถูกวิตกทั้งสามเหล่านี้ครอบงำย่อมเป็นผู้ห่างไกลาจากความสิ้นตปแห่งสังโยตคืออรหันต์พระอรหันต์แม้เป็นของหาได้ยากสำหรับเขาไกลเหลือเกินนะคนที่มีใจหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่กับเรื่องเหล่านี้นะผูกพันธตกับศรัทธาทั้งหลายนี่นะครับอรหันต์น่าจะห่างเหลือเกิ น, น้นนะครับน เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ผูกพันในเรื่องบุตรเรื่องของเลี้ยงเรื่องการแต่งงานอาวาหะเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ยากหน่อยนะครับบทว่าพภโศโตาทิโสภิกขุพงว่าเธอสละสิ่งที่ทําให้เนื่นช้าทุกอย่างเชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเห็นภายในสงสารด้วยสัมมาปฏิบัติที่พระศาสดาตรัสไปแล้ว โดยประการใดชื่อว่าเป็นผู้เช่นนั้นเพราะพึ่งเห็นโดยประการนั้นย่อมควรเพื่อบรรลุการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมคือผะารหัส น, นะครับคือปฏิบัติอย่างที่พระองค์ทรงสอนนี่แหละจึงเรียกว่าใกล้ความเป็นผ่ารหันเข้าไปนะครับคาว่าหันก็คือไกลาจากกิเลสทำลายข่าสึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเป็นต้นได้นะครับ